แต่ก่อนเนี่ยพูดแต่เรื่องดู ก, กายหลวงพ่ อ, เ, อเรื่องดูจิตที่หลวงปู่ ด, ดุลสอนมาพูดเรื่งแรกๆก็ถูกต่อต้านมากเลยคนไม่เข้าใจคนจะเชื่อว่าเบื้องต้นต้องดู ก, กายก่อนอันนั้นก็เป็นความเห็นส่วนตัวหรอกพรุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าเบื้องต้นให้ดู ก, กายก่อนท่านสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่ใครถนัดฐานไหนก็เอาฐานนั้นแหละนี่พอเรื่องดูจิตชักบูมคนก็เอาไปสอนแล้วนึกนึนเอา ลืมหลักของพอุทธเจ้าไปใท้ว่าดูจิตก็คือไปเฝ้ารักษาจิตเอาไว้ตรงนี้ผิดเต็มที่หลวงพ่อพูดได้แต่ปากว่าผิดนะเพราะหลวงปู่ดูลเคยบอกหลวงพ่อหลวงพ่อเคยทำผิดมาแล้วในเรียนจากหลวงปู่ดูลครั้งแรกวันที่หกุมภาพันธ์สองพันรยี่บห้าขึ้นไปหาท่านบอกท่านไปกราบท่านว่าหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติท่านสอน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 ได้จิตรู้ขึ้นมาแล้จิตรู้ก็อยู่โชวคราวเดี๋ยวก็เป็นจิตชิดเดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งก็หมุนเวียนไปเรื่อยมันเกิดทีละดวงงั้นเวลาดูจิตดูใจเนี่ยเราจะดูตามหลังไปเรื่อยเราไม่ดูลงปัจจุบันขณะนะดูจิตเนี่ยดูจิตถ้าเรียกปัจจุบันสันตติหมายถึงสืบเนื่องกับปัจจุบันเมื่อกี้นี้เป็นอย่างนี้เมื่อกี้นี้เป็นอย่างนี้แต่ต้องเมื่อกี้นะถ้าเมื่อวานเป็นอย่างนี้อะไรนี้ใช้ไม่ได้นานไป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 ใจนะั่นว่ามันพลิกรวดเร็วนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพุ๊บปั๊บ ป, บ ป, บปบถ้าเราตามรู้ตามดูอย่างที่เขาเป็นนะ่ะไม่นานเราก็เข้าใจอย่างดูกายนะจะเห็นว่ามันไม่ไม่เที่ยงนะดูยากนะแต่อย่างดูจิตว่าไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงทันทีเลยะจิตหลงปั๊บมันหลงว่องไวมากเลยหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้ไปพอหลงไปแล้วยังไม่รู้ทันนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธก็ตามมา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 หนาวสุดขั้วแล้วก็ร้อนสุดขีดอีกฝนก็ตกแดด ก, ก็ออกนะเนยเสียงเสริงไม่มีนะเป็นไข้ไปเลยแต่ว่ามีนัดมาสาราลุงชินเลยต้องมาหน่อยนะตัวรู้หายรู้สึกไหมตอนยกมือไหว้นะตัวรู้ตกกระโจนไปแล้วนะตกเสือตกน้องตกหลุมไปหมดแล้วยัำรู้สึกไยนะ รู้สึกฆราวาสก็ทําได้เรื่องให้มีความรู้สึกตัวอยู่แต่อย่าไปประคองไว้รู้สึกไปแล้วดูเขาทางานดูใครเป็นคนดูเ็าตัวรู้เป็นคนดูดูอะไรดูกายทางานดูใจทางานไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆจะรู้ตัวขึ้นมาเพื่อจะเอามาเตือนปัญญาต่อถึงจะผ่านไปได้ปัญญาเบื้องต้อนจะเห็นว่าตัวรู้ไม่ใช่เราปัญญาเบื้องปลายจะเห็นว่าตัวรู้นี่เป็นตัวทุกข์ เมื่อไรเห็นทุกข์นั้นก็เห็นธรรมพระเจ้าสอนหลักของธรรมะขั้นสูงสุดไว้เลยธรรมะที่สําคัญที่สุดเลยคืออริยสัจสี่ทุกอะไรคือทุกรูปนามกายใจนี่แะคือทุกขันห้าคือตัวทุกในขันห้า น, นี้ตัวที่เห็นว่าเป็นทุกข์ยากที่สุดนัคือจิตตัวที่เห็นเป็นทุกข์ง่ายคือกายแตอตัวที่เห็นยากนัคือจิต แตาเมื่อไรเห็นว่าตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์นะมันก็จะเรียกว่ารู้รู้จิตอย่างแจ่มแจ้งได้ยินที่หลวงปู่ดูลสอนบ้างไหมจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นว่าเป็นตัวทุกข์เป็นอะไรเป็นอรหันตสมรคหลวงปู่ดูลท่านพูดท่านก็เกรงใจคนเหมือนกันนะกลัวว่าจะไปหาเรื่องท่านเหมือนกันเลยท่านก็พูดแบบออมๆไม่หน่อยเมื่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรร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 สังเกตไหมวันไหนจิตใจเราสบายโลกก็ผองใสวันไหนจิตใจเราเศร้าหมองโลกก็เศร้าหมองโลกเนี้ยมันแปลไปตามจิตของเราโลกโลกจริงๆก็ส่วนหนึ่งนะแต่โลกในความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปตามจิตวันนี้จิตผ่องใสโลกก็ผ่องใสวันนี้จิตเศร้าหมองโลกก็เศร้าหมองเนี่ยถ้าเมื่อไร่เห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์แล้วโลกเป็นตัวทุกข์หมดเลยงั้นจะไม่มีที่ใดเลยที่น่าไปเกิดอีก จะเห็นว่าทุกที่เลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยสามแดนโลกาธานตะุมีแต่ทุกข์หมดเลยในกามกามาโลกท่านเรียกกามกาโลกหล่อลิงนะในกามาโลกรูปะโลอกอรูปะโลกมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยทำไมเป็นทุกข์ล้วนๆก็จิตมันเป็นตัวทุกข์จิตไปอยู่ในกามาโลอกอย่างพวกเราเนี้ยอยู่ในกามาวัจระภูมนะิถ้าจิตมันเป็นตัวทุกข์แสดงว่ากามาภูมิเนี้เป็นตัวทุกข์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 นะความกระหายความดิ้นรนที่จะไปสบ่อยในภพภูมิต่างๆเนะี่ยไม่มีมันไม่เอาอีกแล้วเพราะว่ามันไม่อยากได้ทุกข์เพราะันรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะความอยากที่จะดิ้นรนไปตามภพภูมิต่างๆไม่มีรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็เลยละสมุทยัยเมื่อนั้นอย่าละสมุทยัยเมื่อนั้นหมดความอยากใจครับหมดความอยากเมื่อไหร่นะใจอยหมดความหิวโหยนะหมดความทุกข์หมดความบีบคั้นภายใน แล้วไม่มีพบภายในเกิดขึ้นพบไม่ใช่อยู่ที่ไหนหรอกภพอยู่ในใจเรานี่เองเวลาใจเราดิ้นรนทํางานไปด้วยอํานาจของตัณหานั่นแหละเรียกว่าพบอยากดีอยากปฏิบัติก็พบนะออยากชั่วก็พบอยากดีก็พบเป็นภพทั้งนั้นแหะนี้ถ้าเมื่อไรปัญญามันแก่รอบเมันเห็นว่าทุกที่ทุกทางนี้มีแต่ทุกหมดเลยจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกได้แต่เมื่อเห็นจิตเป็นทุกเห็นตัวเดียวนี่เอง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 คิดเอ า, อาเรื่องโน้นคิดเอาเรื่องนี้คิดเรื่องธรรมะที่จริงแค่รู้จิตใจนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดแค่รู้ไปด้วยรู้ด้วยใจที่สบายรู้ด้วยใจที่ตั้งมัน่นเป็นคนดูเรื่องแคเป็นผู้รูนะ้รู้ไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นเองแหละไม่ยากหรอกไม่ยากนะใช้เวลาไม่นานธรรมะของพพุทธเจ้าไม่เนิ่นช้า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 พวกเราฟังไม่ยากเราพวกเราฟังมาเยอะแล้วอยู่ที่ทํานะต้องสู้เอาดูของจริงครูบาอาจารย์ก่อนท่านจะทําเป็นนะท่านก็ล้มลุกลุกลานเหมือนเราแหลนะพระพุทธเจ้าเองกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ล้มลุกลุกลานเหมือนเรานะอะไรที่เราทําผิดนะท่านก็เคยทําผิดมาก่อนเหมือนกัน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 ใจไม่สงบไม่สันโดษหาความสุขไม่ได้มีแต่โทสะชอบกรุกรีเรื่องใหญ่เลยชอบกรุกกรีอยู่ดีไม่ว่าดีชอบยุ่งทำให้เส้าหมองเสียหายปรารบความเพียนคิดไหมว่าเราจะต้องปฏิบัติ ทุกวันรู้ตื่นขึ้นมานึกถึงแม้ว่าวันนี้ต้องปฏิบัติได้ถามจริงๆใครตื่นปุ๊บ ก, ก็คิดเลยว่าเราต้องปฏิบัติว่ายกมือซิมีไหมโอ้ยอย่างนี้เรียกว่าปราโรคความเพียรนะใช้ได้ถ้าลืมไปเลยแล้วก่อนนอนแล้วค่อยคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้กินออกช้าไปกิเลสเอาไปกินจนหมดเรื่องหมดแรงแนะ้วจะมาภาวนาตอนกลางคืนหมดแรงไปแล้วนั่งก็นั่งหลับหัวสุขหัวซุนไปเท่านั้นเอง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 ยังไงก็ต้องพลัดพรากทุกคนนะความไม่สมหวังความต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบราเราอยู่ตลอดเวลางั้นเราประมาทนิ่งนอนใจไม่ได้พอใจตื่นนอนมานะใจก็จะนึกถึงประมาทไม่ได้หรอกต้องรีบภาวนาภาวนาก็ไม่ใช่ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดินจมกรมลูกเดี๋ยวซึมซึมไปภาวนาก็มาฝึกจิตฝึกใจ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 จะเห็นความจริงตัวเราไม่มีก็อดทนภักเพียนต่อไปจะเห็นว่าที่มีคือตัวทุกข์ถ้าเห็นได้อย่างนี้แล้วก็โลกจะไม่มีที่ให้เราเกิดอีกแล้วไม่มีโลกให้เกิดอีกต่อไปแล้วเพราะมันมีแต่กองทุกข์เรื่องอะไรจะจมลงในกองทุกข์อย่างเรารู้ว่าตรงนี้เป็นหลุมซ่วมนะเคยตกมาแล้วขึ้นมาได้จะโดดลงไปอีกหรือเปล่าพแมวแล้วล่ะ มันเห็นแล้วไม่ใช่ของดีนะนอกจากโรคจิตจริงๆอ่ะวันๆจะตกซ่วมเล่ดอะไรเงี้ย น, นะผิดปกติถ้าคนทั่วๆไปเคยพลาดตรงนี้แนละ้วมันก็ระวังนะรู้แล้วว่าจิตจับอารมณ์เข้าไปทีไรนะจิตยึดที่ไรจิตทุกทุกทีจิต ด, ดิ้นรนด้วยความหิวด้วยอตปัญหาจิตทุกทุกทีเลยดูของจริงแล้วก็เห็นของจริง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 ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเพตานังอุปกัะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิฉตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันูทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีตโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวัตวันตรายโยสุขีธีขาโยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังวุฑธาปัจายิโนจตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุหลวงพ่อเทศสั้นนะวันนี้พวกเรามีเวลาภาวนานด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นอีกนะไม่ใช่พอหลวงพ่อเลิกเราก็เลิกตามไปนะ